นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์แรรมาพระไยบณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไห่โศกครับกับผมธันตแพทย์นัทพง์กนกวิรุณครับผู้ร่วมดำเนินรายการวันนีน้มันกลับมาพบอีกแล้วนะตอนที่12ครับตอนที่12ก็ในช่วงนี้เราก็ยังดำเนินการต่อจากคราวที่แล้วที่เรายพงพูดถึงเรื่องอริยมรรคมีองค์8ใช่ครับไล่มาเรื่อย แต่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประไล่ลงมาจนถึงสัมมาสมาธิได้จบละบางตอนก็สองบางองค์มรก็สองตอนบ้างสามตอนบ้างเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับอริยมรรคมีองแปดครับคือเราจะกล่าวในแง่ของอในแง่มุมที่ยังไม่ได้กล่าวถึงของอริยมรรคมีองแปดแล้วก็บางบางส่วนที่เออ ได้ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมานะครับจากอาริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายครับก็วันนี้จะมาค่อยๆแกะแกะกันทีละข้อทีละมุม ค, คือคือที่ต้อ ง, องมีต้องมี เ, สเซสชั่นนี้ต้องมีอ่าพอดแคสต์อันนี้ที่สิเนี่ยที่พูดเฉพาะเกีก่ยวกับเรื่องอริยมรรคมีองค์แเนี่ยเพราะว่าอ่าบางแงม่มุมเนี่ยเราต้องพูดโดยองค์รวมเราจะไม่สามารถพูดโดยแยกได้นะอ่าอย่างกรณีที่เช่นว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอริยมรรคมีองค์แเนี่ยคือ สุดยอดของธรรมะที่พระองค์สอนเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างอ๋อซึ่งใหญ่ครับแล้วก็ไม่มีรอยเท้าสัตว์บกอันไหนที่จะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างครับรอยเท้าช้างนี่มันใหญ่จริงๆนะครับก็เป็นเหมือนรวมธรรมะอื่นก็เป็นส่วนย่อยของธรรมะหมวดนี้ไม่ว่าอะไรที่พระองค์สอนเนี่ยจะหาเจอหมดอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดต้องอยู่สักตรงใดตรงหนึ่งครับ ก็มีมีคำกล่าวว่าอัดถังิีตมรคคืออริยมรคมีองคป8เป็นยอดแห่งสังคตาธรรมทั้งตัวใช่ครับก็คื อ, อธรรมะทั้งหมดที่พระองค์สอนนะพระพุทธเจ้ายืนยันว่าเป็นสังฆตธรรมครับแล้วก็อริยมรคมีองแปดนี่ก็เป็นยอดของสุดยอดของอันนี้ครับเอ๊ะพราจารครับความเชื่อมโยงระหว่างมรคมีองคปดกับ ศีล ส, สมาธิปัญญาที่เรารู้จักในนามของไตรสิกขาเนี่ยตรงนี้พอจะเชื่อมโยงได้ประเด็นอะงก็มีปิกษุณีท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้บอกว่าอาริยมรรคมีองค์แดเนี่ยก็คือจัดอยู่ได้ในสิกขาสามครับสิกขาสามก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แนี่ก็จะมีส่วนที่เป็นศีลส่วนที่เป็นสมาธิส่วนที่เป็นปัญญา ออย่างสมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะก็จะจัดเป็นปัญญาปัญญาใช่ไหมครับคือปัญญาขึ้นมาก่อนแล้วก็ศีลนี่ก็คือจะพูดถึงเรื่องสมากรรมตตาสัมมาวาจาแล้วก็สมาชีวะครับแล้วหมวดของศีลอแล้วก็เรื่องความเพียรสติแล้วก็สมาธินี่ก็พูดถึงเรื่องสมาธิจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกที่พระุทธเจ้ายืนยันคําพูดของพิษุณีรูปนี้เนี่ยนะ ต้องใช้คําว่าอธิศีลัสิกขา อ, อธิปัญตาสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาปัญญาสิกขา ค, คือในศีลอั น, อนยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งคือทำไมต้องใช้อันยิ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องศีลธรรมดาเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าศีลห้าเบสิกศีลห้าศีลแปดแต่ว่าในอธิศีลสิกขาเนี่ยคือศีลอั น, อนยิ่งขึ้นไปมันละเอียดกว่านั้นศีลห้าเนี่ยพูดถึงแค่เรื่องไม่พูดโกหก ใช่ครับแต่ในมาร์เนี่ละเอียดกว่าอีกยังมีพูดเพอร์เจอร์ไม่พูดเพอร์เจอร์ไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียดเสียเพราะฉะนั้นจะละเอียดลงไปคือจะเป็นความบริสุทธิ์ที่ลึกซึ้งกว่าศีลปกติใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงว่าทําให้ยิ่งขึ้นไปได้ครับทําให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นคุณมีแล้วดีนะแต่มาร์กนี่ยิ่งไปกว่านั้นก็มีอคือละเอียดแล้วละเอียดอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกพระเจ้าได้ พูดถึงความเป็นไหลทะเลของธรรมะนี้แต่จะค่อยๆลึกลงไปเป็นลำดับๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆลๆซๆ้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆทๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆาๆๆๆๆๆๆอๆๆาสๆๆๆบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มาเป็นสิบสิบรอบโอ้อน่านวธนานะครับสิบรอบอะนะมะีแล้วก็ทำไมถึงมาบ่อยๆเพราะว่ามันละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆอมอสมมติในธรรมะหมวดเดิมที่มาฟังซ้ำๆๆเนี่ยก็จะมีความแตกฉานเพิ่มขึ้นอย่างนี้แหละครับใช่พระุทธเจ้าใช้คำว่าเนี่ยคืออ น, นิสงส์ของการฟังธรรมนะคือจะแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้ว อ, อ, อย่างอาจมาฟัง อ, อ่านพุทธวจนะอย่างเนี้ย เราอ่านรอบที่หนึ่งเนี่ยแหมมันก็ลึกมันก็เข้าใจแบบหนึ่งอ่านรอบที่สิบก็เข้าใจอีกแบบนึ่งอ่านรอบที่ยี่สิบก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับรอบที่สิบไม่เหมือนกับรอบที่หนึ่งจะได้ความแตกฉันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรอบที่หนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้โหแหมอันนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่ครับรอบที่สิบเนี่ยเราจะก็ค่อยเราจะก็จะเข้าใจเราก็จะเข้าใจว่าโอ้โหแง่มุมนี้เราไม่เคยเห็นเลยออืพออ่านรอบที่ยี่สิบนี่เราก็จะเข้าใจว่าโอ้โห ธรรมะหมวดนี้ไปเชื่อมต่อกับธรรมะหมวดนู้นได้อล้ ม, มันก็จะลึกซึ้งลงไปอย่างนี้เหมือนกันอริยมรรคมีมองแปดเนี่ยศึกษาไปศึกษาไปใครว่าหมดแตนะโถคุณท่องได้ใช่ไหม<ช>กา ร, รปฏิบัติในจิตเนี่ยมันจะลึกลงไปลึกลงไปละเอียดแล้<อ>ละเอียดอีกครับอโอพอฟังประเด็นนี้เนี่ยต้องจะขอเชิญชวนผู้ผู้ฟังหรือว่าผู้ทุชนพวกเราผู้ผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายเนี่ยนเนี่ยคําเนี่ยจริงๆตัวผมเองก็ เจอเจอเป็นปัจจิตังเช่นกันครับในการฟังหรือการอ่านในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีความลึกจริงๆครับบางทีฟังไปสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวก็จะได้ได้ตลอดใมุไม่เหมือนกันใช่ครับอันนี้จริงๆแล้วก็อย่างหลวงพ่อสะอาดเนี่ยท่านเคยยกอุปมาอุปไมยอันนี้นะว่าเหมือนทําลาบสับหมูใช่ไหมครับสัหมูทําลาบเนี่ยต้องสับแล้วสับอีกสับแล้วสับอีกสับสับแล้วก็พลิกมาสับอีกมันจะละเอียดลงไปเรื่อยๆออืเพราะฉะนั้นเรื่องมาร์กเนี่ย มันก็พูดได้จน ม, จมันไม่จบว่างกันเถอะ <c oughs> เพราะว่ามันรวมหมดสีสมาธิปัญญาแล้วธรรมะก็ไม่มีอะไรนอกจากสีสมาธิปัญญาไม่แง่มุมนี้ก็อีกแง่มุมหนึ่งมุมนั้นมุมนี้เราก็พูดไปเรื่อยๆตัวธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าอาริยมรรคเมืงแปดก็คือเป็นก้อนเดียวไม่ใช่ว่าแยกทำแยกทำใช่ไหมครับมันเหมือนว่าเป็นเนื้อกลมกลืนกันใช่เป็ น, เ ป, นเป็นทางเดียวอ่ะ แต่ว่ามีแปดเส้นแปดเลนว่ากั้นเถอะอ่าแปดเลนเข้าสู่เส้นทางทางเอกทางเดียวใช่แล้วก็เป็นเส้นทางที่เรียกว่านําเราไปสู่ความไม่ตายครับเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราใกล้ไปใกล้ความตายเข้าไปทุกลมหายใจออายุเราก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงใกล้ความตายขึ้นไปเข้าไปเข้าไปเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราเข้าไปสู่ใกล้ความตายเนี่ยเส้นทางตรงเนี้คุณเดินอยู่บนมาร์กไหม อ๋อให้เราพิจารณาใช่ไหมครับว่าเนี่ยการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางมาร์กหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เรากําลังจะเข้าไปสู่ความดับของชีวิตของเรากายนี้เนี่ยนะเป็นเส้นทางที่เราอยู่บนมาร์กไหมถ้าเป็นเส้นทางที่อยู่บนมาร์กแนะอริยมาร์นะพิษทางอันประเสริฐเนี่ยเส้นทางนี้ยจะไปสู่ความไม่ตายจริงๆแล้วอความไม่ตายนี้เป็นอย่างไรครับท่านก็คือความที่ดับหมดของความตายก็คือความตายอย่างลงไม่ได้ ความตายอย่างลงไม่ได้ก็ไม่ตายสิไม่ตายก็เป็นธรมตาสิใช่ไหมซึ่งตรงนี้จะไม่ตายได้ก็ต้องไม่เกิดความเกิดก็อย่างลงไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดก็ยังมีเสื่อมมีดับมีตายใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปสู่ความที่ไม่ตายเนี่ยเราอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐเนี่ยจะพาเราไปสู่ความไม่ตายได้ถึงแม้ลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกทุกครั้งเนี่ยจะพาเราไปสู่ความดับของกายนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่บนมรค ก็จะไปสู่ความไม่ตายครับความเป็นอมตะความรู้ธรรมนั่นแหละอคืครับครับอย่างกรณีของอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็บรรลุท่านบรรลุอรหันต์แต่ท่านก็ยังต้องยังมีชีวิตต่อคือยังยังอ่ายังอยู่มีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็คือว่าจิตท่านใช่ไหมครับที่บรรลุแล้วคืใช่จิตนั้นก็คือดับละ อแต่ว่ากายท่านก็ยังอยู่ใช้ชีวิตจนกว่ากายจะแตกดับใช่ไหมครับจิตดับพูดถูกไหมตัณหาดับดีกว่าอตัณหาดับอืความหมดไฟซึมไปตัณหาอืตเพราะฉะนั้นเชื้อในการเกิดไม่มีครับนดับไปตั้งแต่วินาทีนั้นอืแต่จิตดวงอื่นที่ยังทําหน้าที่รับรู้อะไรต่างมันก็ยังมีไปตามภาษายาตนะที่เกิดขึ้นนั่นแหละซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ยังไง อือครับก็มาตามทางนี้แล้วมาตามปริยมักนี่แหละครับทางที่พระพุทธองค์ได้ประกาศไว้ใช่ทางประเสริฐครับแล้วก็เส้นทางตรงนี้องค์ประกอบต่างๆก็ต้องมีแล้วอย่างถ้าเราไปตามเส้นทางหลวงอย่างเงี้ยไปขับรถไปตามทางหลวงเนี่ยองค์ประกอบของทางหลวงนี่ก็ต้องมีไฟใช่ไหมมีป้ายบอกทางป้ายบอกทางเส้นการจราจรใช่ไหมใช่ครับมีทางระบายน้ำมีพื้นผิวที่ราบเรียบอะไรต่างๆครับเช่นเดียวกัน ทางที่เราจะไปสู่ที่ที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นทางที่มีองค์ประกอบคือเรื่องตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสมาสมาธินี่แหละครับท่านครับในกรณีของอริยมรคมีองค์8เนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างไรนะครับอ๋อคือเป็นทางสายกลางใช่ไหมครับทางสายกลางเนี่ยคือเป็นเส้นทางแนหะอริยมรคเนี่ยนะเป็นเส้นทางทีนี้ทางเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะ คือทางที่สุดโตง่ง oh. คื อ, oh. ค, อคือต้องเปรียบเทียบกันก่อนว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ย <Okay. S 1> มีเส้นทางอยู่สองสาสายคือสาย mm. ที่สุดโตง่งข้างหนึ่งเลยคือการทำตนให้ลำบากเ oh. นะช่นปลยกกายบ้างเอาหนามมาทิ่มตัวไม่กินข้าวทำตัวเป็นวัวอยู่หลายหลายปี mm. ไปลงน้ำ mm. อยู่ในตอนเย็นอย่างเงี้ย oh. มันก็เป็นทางที่ทำตนให้ลำบากเสียเปล่า ที่เรียกว่าอัตตะกิลามาฐานุโยกใช่ไหมครับใช่ใคือการทําทตนให้ลําบากอันนี้ ค, คือสุดตรงข้างหนึ่งออืสุดตรงข้างนี้เขาก็มีความเชื่อกันอย่างนี้ว่าเป็นทางที่เรียกว่าอาล้างบาปตัวเองอ น, น, นี่ความเชื่ออย่างที่หนึ่งความเชื่ออย่างที่สองนี่ถ้าคุณไม่มีความยังอายเลยเหลืออยู่เนี่ยคุณเป็นบ้าอารหันแน่นั่นก็คือการเปลยกายหมดไม่มีความละอายละหรืออย่างที่สามก็มีความเชื่อว่า เราเคยทำบาปมาไว้เราต้องได้รับทุกได้รับบาปเพรา ะ, ะนั้นเราเอาความทุกข์ความบาปตรงนี้มาโจนตัวเองซะก่อนเลยนั่นก็คือพวกที่ บ, เบาเพ็ญตบะต่างๆเช่นเอาทำตัวทิ่มหนามเอาอะไรมาทำให้ตัวเองหนักๆอย่างนี้นะครับสุดตัวเองอย่างหนึ่งก็คือทำตัวเองแบบมีทุกอย่างสุขที่สุดในโลกนะครับทุกอย่างก็มีหมดอย่างนี้ ค, คือ เกามกามสุขผลิการโยอกามสุขกามสุขัลิการโยกซึ่งซึ่งพระุเจ้าของเราเนี่ยผ่านมาทั้งสองแบบใช่ครับอช่วงตั้งแต่ประสูติจนถึงปีที่29กนะก็คือความสุขเต็มที่เลยท่านเป็นลูกกษัตริย์ด้วยมีทุกอย่างนะเสื้อผ้ารองเท้าอย่างดีความสุขสนุกสนานมีประสาทสามหลังครับแล้วก็ในช่วงที่หลังจะออกบวชปีที่29้าถึงปีที่สสิบห้าก็เป็นช่วงที่ สุดตรงอีกข้างหนึ่งเลยคนะไปทําตัวให้ลำบากจนกระทั้งปีที่สามสิบห้าไปแล้วเนี่ยก็พบว่าโอ้มันมีทางสายกลางอยู่คตรงนี้ก็คืออริมัสมีองค์แปดใช่แล้วก็ทางสายกลางตรงนี้เป็นเรื่องของจิตนะไปในจิตทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือทางสายกลางเนี่ยศีลเนี่ยก็เป็นสิ่งภายนอกที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ถ้าเราดูง่ายๆอย่างเรื่องของเครื่องแบบพระอย่างเงี้ยก็เป็นทางสายกลาง ถ้าสุดตรงข้างหนึ่งนะก็คือคุณใส่ผ้าเสื้อผ้าจากแคว้นกาสีอย่างดีมีเครื่องประดับเพชรพลอยอะไรนี่สุดตรงข้างหนึ่งถ้าสมัยนี้ก็คือเรียกว่าใส่เสื้อเวอร์ซาเช่รองเท้าบาล์ี่ประมาณนี้แบรนด์เนมทั้งตัวทั้งตัวถ้าสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือเปลกายเลยเปลือยกายสมัยก่อนนะเขาก็เปลกายเลยนี่คือสุดตรงสองข้างไม่เอาเลยสักคิ้นเดียวก็ไม่เอาซึ่ง พุทธเจ้าเนี่ยก็มาค้นพบทางสายกลางเพราะงั้นคุณเอาผ้ามาต่อๆกันนะสามสี่ผืนใช้งานได้ละครับก็คือจบเลยมีเครื่องแบบชุดเดียวไปไหนก็ชุดนี้อ่าแล้วก็ดูแลงานเครื่องแบบที่พระใส่กันในปัจจุบันก็คือดำรงมาจากสมัยพุทธกาลเลยใช่ไหมครับก็สามผืนก็คือหลังจากที่พุทธเจ้าได้บรรลุธรรมแล้วนะเป็นสมมาสัมพุทธเจ้ามีสาวกมากขึ้นเนี่ยการข้อบัญญัติอะไรต่างๆก็จะรัดกลุ่มแล้วก็ให้มัน เฉียบเฉียบขาดเ้าเรียกว่าอะไรให้รัดกุมแล้วก็เนียบมากกว่านี้ <Ừ. S 2> เนียบมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะเอาแบบผ้ามาต่ อ, อยังไม่มีระบบนะ <Ừ. S 2> มีชายบ้างไม่มีชาย บ, บ้างแต่นี้ก็คือทำอย่างเป็นระบบมากขึ้นให้มันรัดกุมแล้วก็กระชับแล้วก็ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดอย่างนั้นไหมครับคำนี้ก็ <c oughs> คานี้ก็เป็นคำที่เรียกว่าไงบางทีพระเจ้าก็ไม่ได้ประหยัดนะ ออย่างเช่นเรื่องการทําความเพียรอย่างเงี้ยไม่ให้ประหยัดให้ทำอย่าเต็มที่ครับอย่างเงี้ยการฟังธรรมให้ทําอย่างเต็มที่อซึ่งให้มากให้มากไม่มีประมาณออย่างเรื่องความประหยัดก็มีเหมือนกันในเรื่องของการรับประทานรับประทานอย่างพอประมาณอย่างนี้ก็ดีให้มีทองอันพร่องอันเล็กน้อยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงตามพุทธวจนะเนี่ยก็คือทางสายกลางครับอถ้าประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่มันอาจจะเข้าข่ายแบบ เซฟมากหน่อยอเซฟมากหน่อยอะไรเงี้ยเราก็พูดว่าทางสายกลางดีที่สุดเนาะมาที่มาปฏิปทาซึ่งตรงนี้เป็นทางสายกลางที่พระเจ้าได้บอกว่าอันเนี้ยเป็นทางสายกลางมีทางสายกลางอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของจิตนะครับที่บอกว่าการปารกความเพียรจะทําอ่าเพื่อกําจัดอสุสุลแธรรมบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ ยังกุศลทรามให้เกิดขึ้นมีมุมนี้ด้วยใช่ไหมครับ อ, อ, อันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เป็นทางสายกลางคือทางสายกลางเนี่ยมีในทุกระบบเลยนะคือคําทั้งหมดที่พระเจ้าประกาศเนี่ยเป็นทางสายกลางเพราะว่าทุกอย่างมันลงในมารคนี่ใช่ครับจับลงได้หมดมาร ก, ก็เป็นทางสายกลางเพรา ะ, ะนั้นทุกอย่างเป็นทางสายกลางการให้ทานเป็นทางสายกลางการรักษาศีลเป็นทางสายกลาง อสัพพุริจธรรมเจ็ดเป็นทางสายกลางอาปฏิสมุบาเป็นทางสายกลางาเรื่องของอาการเป็นคนบ้า ง, ง่ายเพื่อเป็นทางสายกลางอย่างนี้โอชยอย่างเรื่องการให้ทานเป็นทางสายกลางแต่ว่ามันจะต้องมีจะต้องเหมือนกับว่าไม่เบียดเบียนตนใช่ไหมครับอันนี้มีมีมีคำกล่าวไหมครับว่าคือบางคนให้ทานเนี่ยโหให้แบบว่าแบบลูกเมียมไม่สนใจแต่ให้แต่ทานอย่างเงี้ย อ, อย่างนี้ก็ ก็อันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้บอกไปแล้วนะว่าการแบ่งจ่ายทรัพย์ทํำยังไงออการจชายทรัพารนี้เราก็ได้พูดไปในหบดของสมาอาชิบะอยู่นิดหนึ่งว่าใช่ครับพย์ที่ได้มาก็แบ่งจ่ายให้ตัวเองก่อนพ่อแม่เลิ้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียก่อนอันดับสองก็มาคอยเอาทรัพย์บางส่วนต้องมาแบ่งมาเพื่อป้องกันรักษาทรัพย์ที่มีอยู่อันที่สามก็บูชาเทวดาช่วยชาติช่วยญาติอะไรต่างอันที่สี่ถึงเอามาให้ทานครับอืเพราะฉะนั้น ก็ให้แบ่งตามระบบนี้ถ้าคุณทําถูกต้องเนี่ยกออย็อยู่ในมรรคแปดมีทางสายกลางออ่ผู้ที่ให้ทานเนี่ยต้องมีความฉลาดในการที่ไม่ดำรงตนให้ลำบาก อ, าอาหมายความว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเี่ยเป็นผู้ที่ให้ทานอย่างฉลาดอันนี้ก็ได้เคยบิดาไว้ครั บ, รบซึ่งก็อย่างที่เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ถ่ายทอดกันมาเนี่ยการให้ทาน ที่ที่ดีก็คือเนี่ยการปฏิบัติตามอริยมรคมีองแปดใช่ไหมครับคือทานเนี่ยก็จะมีแบบทานที่เป็นเขาเรียกเงินทองจับต้องได้กับทานที่อย่า<ช>งนี้อย่างนี้ ค, คืองนี้ทานเนี่ยนะอยู่ในอริยมรคมีองแปดในส่วนของสมาธิิิิในนนสส่วมาอันหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับของหนักเนี่ยมีอยู่ก็คือกเชื่อว่าการให้ทานมีผลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงแค่ว่าให้ทานแบบให้สิ่งของเนี่ยก็ควรทําอยู่ ครับอ่าทีนี้ถ้าพูดถึงทานที่เป็นเรื่องของจิตนะพุทธเจ้าก็ได้เคยพูดไว้คือเรื่องของศีลศีลเป็นมหมาทานอ่าหมาทา น, ฉนเฉลิสนั้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเอ้ยงั้นฉันให้เลิกให้ศีลของละฉันจะมาถือศีลอย่างเดียวอันนี้พูดไม่ถูกอ๋อพูดผิดพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าไม่ได้บอก<ะ>ให้คุณเลิกให้ทานนะคนไม่ให้คนอื่นห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่มิตรแท้หอนรัตบงครับ ถ้าเราไปบอกคนอื่นว่าเอ้ยคุณไม่ต้องให้ทานล้มานั่งปฏิบัตินั่งสมาธิพูดได้ไงอธิมาพูดมไม่ได้ ก, กชื่อว่าขุดรากตัวเองเ อ, อแล้วห้ามคนอืน่นทาบุญโอ้โหยิ่งเป็นชัเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนชั่วของเขาอีกออืถ้าเขาจะทำให้เขาทำํำเราควรจะแนะนําให้ยิ่งขึ้นไป<อ>ในเรื่องของงั้นคุณมาปฏิบัติทางจิตงั้นคุณมาปฏิบัติทางเรื่องสีเรื่องสมาธิอันนี้ยิ่งกว่ายอด ต่อยอดอีกว่าทำ่ห้ทำมาดีแล้วมาต่อยอดอีกใช่อย่างนี้เป็นวิสัยของกัลยาณมิตรนะครับถูกต้องแล้วก็เรื่องของมร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นทุกอย่างของสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นกัลยาณวัตรที่พระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้นะถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามอะไรมร์มีองค์แเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกัลยาณวัตรที่เราทิ้งไม่ให้ แล้วใครเป็นคนสุดท้ายนี่สูยใช่กาลยานวัตนี้มีขาดมีการขาดศูนย์ถ้าไม่มีอะไรมรรเมืองแปดใช่ไหมครับอแล้วก็มีผู้ปฏิบัติเป็น่งเป็นเครื่องวัดว่ากาลยานวัตธรรมมวินัยเนี่ยจะยังอยู่หรือไม่เนี่ยคุณเอาอะไรมาวัดก็เอาว่ามียังมีใครมาปฏิบัติตามอริมรรคมีองแปดอยู่หรือเปล่าถ้ามีนะก็คือธรรมมรวินัยนี้ยังคงอยู่ศาสนานี้ยังคงอยู่ศาสนาพุทธยังอยู่ถ้าไม่มีครับก็คือจบละจบอ๋อ นี่เท่ากับคือตัวชี้วัดอายุของพุทธศาสนาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มันยังชี้วัดได้อย่างนี้ด้วยว่ายังมีพระอาราันอยู่ไหมอ๋อผู้ปฏิบัติใช่ครับถ้ายังมีคนปฏิบัติตามอริยมารมีองค์แปดอยู่เนี่ยให้ทุบโต๊ะแล้วก็ประกาศไปทั้งสีด้านอย่างชัดเจนว่าอริยบุคคลต้องมีแน่ครับคือ <c ười> บรรลือเสียหน้าไปเลยบรรลือเสียหน้าครับเอ๊ะ <c oughs> อย่างนี้ที่อายุพุทธศาสนาได้ยินเยอะเลยว่าห้าพันปีห้าพันปีอันนี้ก็ อันนี้ก็คือมีคนเคยพูดอยู่นะแล้วก็มีระบุอยู่ในพระไตรปิฎกนะจะเป็นส่วนที่เป็นของอัธกถาออ oh. ว่าอายุศาสนามีห้าพันปีแต่ถ้านะปีที่หกพันเนี่ยยังมีคนปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดอยู่ชื่อว่าธรรมะในนี้ยังอยู่ hmm. อืมเพราะฉะนั้ น, ม, นมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนปีมันอยู่ที่ว่ายังมีคนปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดไหมครับ เท่ากับว่าโดยความคิดนี้เนี่ยก็จะต้องพวกเราเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงในปัจจุบันก็จะเป็นผู้ที่จะดํารงพุทธศาสนาอืโดยการเนี่ยเผยเผยแพร่ปฏิบัติต่างๆของใช่ใช่ไหมครับแล้วคือคนที่ไม่ได้อยู่ในมรรคแปดนี่นะชื่อว่าทําศาสนาเสื่อมโอ้เอาก็ผูริย่าบอกว่าถ้าเธออยู่ในมรรคแปดใช่ไหมคือความที่ทําตามกาเรณีวัดจะไม่เสื่อมนะศาสนาจะไม่เสื่อมใช่คุณออกนอกมรรคคือทาเสื่อมแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังรายการธรรมะที่เปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อยู่วันนี้นะครับลองคิดดูเม่อวันนี้เนี่ยตั้งวันเนี่ยเอาแค่24ชั่วโมงเอออยู่ตามมาร์กไหมครับคุณอยู่ในมาร์กไหมถ้าด่าคนอื่นนั่นออกนอกมาร์กแล้วอทำศาสนาเสื่อมแล้วรู้หรือเปล่าอแถ้าฟังธรรมนะโอเคดีครับอยู่ในมาร์กสมสุตตะใช่ไหมครับที่บอกว่าสะสมสุตตะก็คือฟังธรรมคนรอบข้าง ทำให้เราไม่สบายใจทําให้เราทําสิ่งที่เราไม่พอใจคุณจี๊ดไหมคุณจี๊ดเนี่ยทําศาสนาเสื่อมครับอืหรือคุณด่าคนที่เขาทําศาสนาเสื่อมสมมตุติมีคนหนึ่งพูดไม่ดีคุณด่าเขาคุณเนะี่ยทำศ า, ศาสนาเสื่อมเองอเพราะว่าคุณไปด่าเขาคุณไม่ได้อยู่ตามมักแปดครับถ้ารเรามาเป็นอลูกศิษย์สถาคตมาช่วยกันหมุนธรรมจากเนะี่ยต้องอยู่ในมักตลอดคือปฏิบัติที่ตัวเราใช่ ให้ให้เรียกว่าเข้าสู่เส้นทางของอารีารอา ม, อมวก็ถ้าเราอยู่ในมาคแล้วเนี่ยนะเราจะสบายพ ร, ระพุทธเชาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในมาคเนี่ยคุณไม่จำเป็นหรอกต้องหวังว่าได้โสดาสิกีธาธนาคา ร, ห, ารหรือว่าต้องจิตต้องสงบจิตไม่สงบจิตต้องละกิเลสได้ละอาสวะได้ไม่ต้องหวังถ้าอยู่ในมาคนะได้แน่นอนก็คือเราเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าในเรื่อง ต้องบังคับตัวเราให้กระทําสิ่งนั้นใช่ไหมครับใช่เป้าหมายในควรจะเป็นว่าฉันต้องอยู่ในมรคอฉันต้องอะไรเนะี่ยศึกษาปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ฉันต้องอยู่ในมรคอยู่ในมรคสมาทานการเขาเรียกว่าสมาทานการปฏิบัติครับน ะ, ะให้อยู่ในมรคซึ่งรตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้ว่า <c oughs> เปรียบเหมือนว่าเราเรายัางไงเราก็ต้องตายอ่ะนะ ถ้าในระหว่างทางที่เรากําลังจะไปสู่ความดับแห่งกายนี้เนี่ยถ้าเรารอยู่ในมัคเนี่ยนะเราจะสบายนะซึ่งเราก็ควรจะต้องประพฤติทธรรมประพฤติชอบนะประพฤติสม่ําเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญนะรบประพฤติทธรรมประพฤติชอบประพฤติสม่ําเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญ อ, อันนี้เป็นปพุทธวจนะที่ได้บอกกับพระชาปสิทธิโกศลเอาไว้ก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่จะรอดพ้นจากความตายได้ ซึ่งตรงนี้ถามว่าประพฤติชอบรพฤธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลมอาเป็นบุญเนี่ยอะไรมาวัดนไม่ให้ออกนอกนี้ก็คืออริยมามีองค์แปดมีตัวชีวัดชัดเจนนะครับแล้วก็ผลผลที่จะเกิดขึ้นก็คือความเป็นอริยบุคคลเป็คือที่สุดก็จะไม่เป็นอมตะไม่ตายครับเพราะว่าในในช่วงห่วงเวลานี้เนี่ยคนทั่วไปก็จะ รู้สึกมีเรื่องของความสูญเสียในะเรื่องภัยพิบัติมากเลยนะครับตั้งแต่นิวซีแลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็เ อ, อเมื่อวานนี้เองก็มีแผ่นดินไหวที่พามา่าแล้วก็สั่นสะเทือนถึงกรุงเทพคนก็ชักแบบโอ้แบบว่าหวั่นไหวกับภัยพิบัติว่าเออมันใกล้ตัวนะครับก็ส่วนนี้แหละธรรมะ ท, ที่ที่จะมาบรรเทาแล้วก็สร้างแนวคิดที่ถูกต้องใช่ไหมภัยพิ บ, บัติที่เราเจอทุกวันนี้นะมันยังมัยังน้อยนะแต่มาว่าแล้วครับโอ้ถ้าเปรียบเทียบกับเอ ภายพิบัติที่พระเจ้ายกตัวอย่างขึ้นนะนะเช่นอะไรบ้างครับอาารเช่นว่ามีภูเขาหินคเป็นหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อนะครับสูงเทียมฟ้าครับกำลังกลิ้งมาบทปวงสัตว์อะไรขวางหน้ามันบทบี้หมดออืนะครับนะส่งกองทัพไปรบมันก็บดกองทัพเละส่งคนมีเวทมนต์ไปไล่เวทมนต์ใส่มันก็บดเละคนเวทมนต์ก็ถูกบดเละซึ่งมันไม่ได้มาทางเดียวมาทั้งสี่ทาง ไม่มีทางหนีถ้าเรายังเคยดูภาพยนตร์ที่มันมีหินกลิ้งมาอย่างเงี้ยนะหมดสมัยกเอครับแต่ว่านี่หินใหญ่มากใหญ่แบบมหาศาลเลยเลยที่มีฟ้าอเหมือนกับภูเขาเนามิอีกนะฮะเนามิปินามเหมือนภูเขามันเลื่อนเข้ามาบดนะครับเอเหมือนกับเทือกเขาดงพญาเย็นทั้งเทือกเนี่ยบีเราเข้ามาอยเงี้ยบีลายลายลายมาเรื่อยๆจากเหนือใต้ออกตกหมดครับคุณไม่มีทางหนีเลยครับตายแน่ๆซึ่งตรงเนี้ย พระเจ้าก็บอกว่าต้องปรพฤติรมประพฤติชอบประพฤติสม่ําเสมอสร้างกุศลบาเพ็ญบุญถึงจะเรียกว่าปลอดภัยได้ครับปลอดภัยได้นะอืมปลอดภัยคือกายเราเนี่ยตายแน่ๆสมมติถูกหินนั้นทับแต่ว่าจิตเราเนี่ยจะไม่ไม่ไปลงอบายอคือถ้าถ้ากายนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับอ่าเราก็ยังจะมีกายอื่นที่ปลอดภัยอยู่ใช้อยู่เพราะว่าเพราะว่ามันก็จะไปสู่สุคตินะคือมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปมนุษย์เทวดาแล้วก็สุกติโลกสวรรค์ครับอหรือถ้าสูงสุดก็คือเข้าสู่ความเป็นอริยะก็คือเป็นอริยะบุคคลได้เบุคคลโสดาดสกิตาอนาคารานได้ครับซึ่งตรงนี้เราจึงต้องประพฤติชอบประพฤติธรำประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญอยู่เป็นรประจำครั บ, รบแล้วมีความเชื่ออันหนึ่งว่าเออถ้าเราเนี่ยปฏิบัติทำกันเยอะๆอย่างเช่นเอาครึ่งครอนประเทศอย่างเนี้ย ภัยพิบัติเหล่านั้นจะเบาบางอ่อนลงเบาบางลงอย่างนี้ไม่ทราบท่านมีความเห็นอย่างไรครับเอาตมามีความเห็นว่าถ้าตัวเราทําดีแล้วเนี่ยนะครับโ อ, อกาสรอดของเราก็มีครับจะเกิดหรือไม่เกิดมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามันเกิดแล้วโอกาสรอดของเราจะมีครับคือคือถ้ามันไม่เกิดเนี่ยถ้ามันไม่เกิดสมมุติภัยพิบัติไม่เกิดในประเทศไทยอะนะยังไงเราก็มีสิทธิ์ตายอยู่ดี อุบัติเหตุก็ยังมีอยู่ดีอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางอะไรต่างอ่ามันก็มีอยู่ดีแต่ถ้าแต่ถ้าอ่ามหันตภัยเกิดนะออุทกภัยเกิดเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์รอดนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยรถตู้วิ่งไปนะมีคนตายคนชนแบบเละเลยคนตายคนเดียวก็มีทุกคนรอดหมดมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าทุกคนตายหมดมีคนรอดคนเดียว เราก็ยังเคยเห็นอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสรอดเนี่ยมันมีถ้าเราทําความดีอยู่ตลอดอืแล้วก็อํานาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีมากครับ ร, รัตนตรัยเนี่ยออนุภาพของพระรัตนตรัยเนี่ยมีมากอ <c oughs> ขอให้เรามีความมั่นใจเท่านั้นเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติใช่ครับจริงๆแล้วเรื่องความมั่นใจตรงนี้เนี่ยนะเป็นหนึ่งในกําลังของจิตนะ อ๋อที่เรียกว่าพลระห้าใช่ไหมครับใชคือหมายความว่าอย่างโซดาบันอย่างเงี้ยคุณเดินตามมาร์กใช่ไหม ค, คุณบรรลุเป็นโซดาบันได้ผลซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโซดาบันโสดาบันเนี่ยบางทีก็หลุดออกนอกมาร์กบ้างก็มีอออื่หมายความว่าบางทีก็ยังด่าเขาหนึ่งอยู่บางทีเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็ยังร้องไห้อยู่อย่างนี้นะอย่างตัวอย่างอนาถาบินทิกเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นโซดาบันนะแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจอย่าง อนาถาบินทีกัเศษฐีโกโรธก็มีนะป่วยร้องไห้ก็มีนะซึ่ง <ừ> ซึ่งตรงเนี้ยคนที่จะเดินอยู่ในมรรคได้อย่างเงี้ยเราถูกเขาดา่าเรามีเหตุการณ์ที่ไม่พอใจเสียใจเนี่ยเราจะทำอยู่ในมรรคได้ตลอดหรือไม่เนี่ยมันต้อง อ, อยู่ที่กำลังของจิตจคือพล ะ, ะห้าคละห้คือะร า, ายละเอียดประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใ ช, ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราจะอยู่ในมรรคได้ตลอดเนี่ย ผลทางเราก็คือมั่นคงมากใช่ไหมถ้าเราหลุดออกนิดนึงก็คือว่าเสื่อมไปนิดหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในมัดได้ตลอดเนี่ยจึงต้องมีพระห้าซึ่งตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุที่ทําให้บุคคลบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอืมเพราะวถ้าคุณวัดถ้าคุณอยู่ในทางตลอดนะไม่หลุดเลยเนื้ออํานาจของกําลังพระห้าตรงนี้คุณก็บรรลุเร็วแน่นอนใช่ครับอ่าแต่ถ้าอยู่นอกมากในบ้านก็ช้าไปตามลําดับ อ, อ, อืต้องต้องมีน้ำหนักไหมครับเหมือันสัทธาวริยาสติสมาธิปัญญาเหมือนว่าให้คือทุกข้อควรจะเยอะหมดหรือว่าต้องอ่ะสติเยอะปัญญาเยอะอะไรอย่างนี้หรือว่านหนักเวทเวทสัด ส, ส่วนไหมครับเรื่องนี้พรุทจ้าได้บอกกับพระโสนะไว้ครับนะว่าออินทรีย์ทั้งห้าของเธอเนี่ยต้องไม่ยิ่งไม่หย่อนกันนะเสมอเสมออย่างพอดีออเป็นไปเสมอเสมออย่างพอดี คือไม่ยิ่งไม่หย่อนกันแล้วก็อพอดีพอดีกันคือถ้ามากก็คือมากทั้งหมดกลางก็คือกลางทั้งหมดอเพราะว่าคือความละเอียดของธรรมะมันก็จะเรื่อยๆขึ้นไปใช่ครับ ม, มีมีความลึกความลุ่มลึกอยู่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากเราก็ค่อยๆปรับให้มันพอเสมอเสมอกันอย่างเงี้ยนะครับครับเพราะว่าบางบางคนเนี่ยอย่างในสังคมไทยเราโอ้สัทธามากจริงๆเลยเหมือนล้นเหลืออะไรแต่ว่าเอ๊ การศรัทธามากแต่ว่าตัวเองที่จะปฏิบัติจะบังคับตัวเองมาภาวนาเนี่ยน้อยเหลือเกินอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ดูแลดูไม่สมดุลนะครับใช่ต่างคนต่างมีอินทรีย์ที่ต้องปรับให้ให้เราอยู่ในมรรคได้ตลอดครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องมรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันตลอดชีวิตอ่ะไม่จบอ่าก็คือจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้ด้วยนะเพราะถ้าพูดเรื่องอื่นนี่ก็คือไม่ได้อยู่ในธรรมะวินัยนี้แล้ว ถึงแม้ตอนที่ห้าสิบหกสิบที่เราจะรันเพียวทำพอดคคสต์อันนี้ไปเนี่ยก็ยังต้องพูดเรื่องมรคอยู่ดนะีไม่ง่ายมุมนี้ก็ต้องแง่มุมหนึ่งลักษณะนี้เท่านั้นเองเหมือนมรคมีองค์8ดก็คือเหมือนเป็นพื้นมหาสมุทรหรือว่าพื้นแผ่นดินที่รองอรั บ, บมทั้งหมดใช่ไหมครับใช่พระพุทธเจ้าก็เดเคยตรัสไว้ว่าเสือหรือว่าสัตว์ใดๆเนี่ยจะอยู่ในอริบทไหนเดินยืนเดินนั่งนอนก็อยู่บนพื้นดิน อาจรยอะรมงแป8ก็เหมือนอย่างนี้ไม่ว่าธรรมะหมวดไหนๆสัพปริสธรรมอินทร์โพธิปัขญยธรรมอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้หมดอืมครับครับจ้ะเอ๊ะมีมีอันหนึ่งข้อถามอันหนึ่งว่าอริมากมีองค์8เนี่ยสามารถแก้กรรมใช่แล้วก็ยังเป็นปฏิปทาที่เรียกว่าแก้กรรมล้างบาป แล้วก็อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่ในนี้หมด<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดแล้วเนี่ยอทําไปไหนอยู่ตรงไหนมันก็แก้คําได้<อ>ช่วยได้ไม่จำเป็นต้องวิ่งเก้าวัดสิบวัดหรือว่าลดน้ําอะไรอเพราะฉ<ม> น, นั้นถ้าถ้าจะทําก็ทําแยกไปได้นะไม่ได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือตรงนี้เพราะอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ในจิตครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ อกจากจะแก้กรรมได้แล้วยังเป็นช่วยช่วยเหลือแม่ลูกนะภัยที่ช่วยเหลือแม่ลูกได้คือบางคนอาจจะคิดว่าไอ้มารตภไยภัยพิบัติต่างๆที่หมอนัตวงศ์พูดเมื่อสักครู่นะเป็นดินสไบอะไรบ้างเนี่ย<ช>เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้นะ ค, คนที่ไม่เคยฟังทําไม่เคยรู้ทำเนี่ยจะคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายต่างหากโอใกล้ตัวมากเลยนะฮะแก่เจ็บตายเออช่วยกันไม่ได้นะครับบางทีแม่อยากจะบอกโอ้ลูกป่วยอยากป่วยแทนลูกเนี่ย ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วก็แต่ว่าอริยมรรคมีองค์ดเนี่ยช่วยได้นะให้ถึงความที่แก่เจ็บตายเนี่ยไม่มีหลุดพ้นจากวงจรนี้เลยตาสงสารจบเลยพวกนี้อย่างลงไม่ได้อันนี้แก้ได้สมบูรณ์กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยอยู่ในมาร์คนักที่ฟังรายการอยู่ให้เดินอยู่ตามมาร์กอย่าว่าใครอย่าด่าใครให้มีจิตเมตตาอยู่ตลอดเรามาช่วยพระพุทธเจ้าเนี่ยหมุนธรรมจักรแล้ว เพราะนั้นในกระบวนการนี้เราต้องอยู่ในมรรคครับเพราะฉะนั้น<อ>ในผมว่าไอตัวกระบวนการนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยตั้งแต่กับกระบวนการเรื่องของบทบัญญัติต่างๆตัวชี้วัดหรือว่าผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนนะครับแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะครับพิสูจน์ได้ด้วย <c oughs> ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้นําอย่างนี้เนี่ยให้มั่นใจให้มั่นใจได้ว่าคนทางมีอยู่วิธีการมีอยู่ผลต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นในตอนต่อๆไปที่ฟังเพียรธรรมะพอดแคสต์เนี่ยก็ให้มั่นใจเลยว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้รับฟังธรรมะที่เป็นพุทธวจนะลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆนะมีเนื้อหาข้อความใดหมอนรัตพงศ์แล้วก็อาตมาก็จะสัญหามานําเสนอให้ฟังแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆให้ทํำยังไง ก็เชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยโค้ดคำถามมานะครับคีมาในเพียวธรรมะคอมนะครับเพื่อที่จะนำมาจะได้ช่วยกันที่จะชี้แจงถแถลงไขนะครับผมก็จะพยายามไปคน้นคว้าซึ่งหรือว่ามีโอกาสได้ถามพระอาจารย์ภัยบู์ได้อยู่าตามที่เราได้ดำเนินรายการกันเ่านนั้นก็คราวหน้าก็ค่อยมาพบกันใหม่แล้วนะตอนที่12บนี้ก็ขอล า, ลาไปก่อนแต่เียงเท่านี้ กลับครับขอกลับนักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไบบูญอภิปุโนโรครับ<ะ>ผมขอกลับกับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ